ที่ 5. สังคาทิเศษศัพท์นี้เป็นชื่อของอาบัตแปลว่าความละเมิดมีสงในกรรมเบื้องต้นและกรรมอันเหลืออธิบายว่าสงเป็นผู้ปรับโทษให้อยู่กรรมสงเองเป็นผู้ระ ง, งับอาบัตเป็นชื่อของศิกขาบทแปลว่าปรับอาบัตสังคาทิเศษในที่นี้ เป็นชื่อของสิกขาบทมีสิบสามสิกขาบทสังคาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งว่าปล่อยสุกะแปลว่าน้ำกามหรือน้ำอสุจิปล่อยสุกะเป็นด้วยความจงใจเว้นไว้แต่ฝันเป็นสังคาทิเศษคำว่าปล่อยสุกกะนั้นบ่งความว่าสุกกะหาได้เคลื่อนเองไม่เคลื่อนโดยประโยคของภิกษุ คำว่าประโยคแปลว่าการประกอบการกระทำการพยายามคำว่าเป็นไปด้วยความจงใจนั้นบ่งความว่าประโยคนั้นเกิดแต่ความปรารถนาจะให้เคลื่อนคำว่าเว้นไวแต่ฝันนั้นบ่งความว่าไม่มีจงใจและไม่มีประโยคทั้งสองนั้น แม้หากจะมีก็เป็นอโหหาริกคือกล่าวไม่ได้ว่ามีคำว่าอโหหาลิกแปลว่ากล่าวไม่ได้ว่ามีหรือมีแต่ไม่ปรากฏจึงไม่ได้โวหารว่ามีมีเหมือนไม่มีเช่นสุราที่เขาใส่ในอาหารบางอย่างเพื่อข่าขาวหรือชูรสและเจตนาที่มีในเวลาหลับเป็นต้น โดยในย่านนี้ในคาภีวิพังท่านจึงจัดองค์แห่งอาบัตินี้ไว้อย่างนี้ภิกษุคิดและพยายามด้วยสุกกะเคลื่อนจับฐานด้วยเป็นองค์แห่งอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุคิดและพยายามแต่สุกกะหาเคลื่อนไม่เป็นองค์แห่งอาบัตทุลใจเป็นแต่เพียงคิด น่าจะเป็นองค์แห่งอาบัตทุกกฎแต่อาบัตไม่เกิดเพราะลาพังจิตดังกล่าวแล้วจึงไม่เป็นองค์แห่งอาบัตเพราะเหตุนั้นอาบัตทุกกฎในสิกขาบทนี้จึงไม่มีในสิกขาบทกล่าวไว้แต่เพียงว่าเป็นไปด้วยความจงใจไม่ได้แสดงความปรารถนาเป็นเหตุทำอย่างนั้นเพราะเหตุนั้น สิชุปรารถนาภัษส ก, ก็ตามปรารถนาความไม่มีโรคก็ตามปรารถนาย่างอื่นก็ตามจงใจพยายามคือทำประโยคที่องค์กาเนิดของตนในรูปภายในคือในอวัยวะตนเองหรือในรูปภายนอกคือในอวัยวะผู้อื่นยกที่เป็นวัตถุป ร, ราชิกหรือในพัสดุหาวิญญาณไม่ได้โดยที่สุดอนอในอากาศ สุกกะเคลื่อนจากฐานต้องอาบัตสังฆาทิเศษทำอย่างนั้นแต่สุกกะไม่เคลื่อนต้องอาบัตทุนละใจสิกขาบทนี้เป่ารบธรรมเพื่อตนเองเพราะเหตุนั้นอาบัตในสิกขาบทนี้จึงเป็นอนา น, านติกะคืออาบัตที่ต้องเฉพาะทำเอง แต่ถ้าสั่งคนอื่นพยายามให้แก่ตนไม่พ้นจากอาบัตและเป็นสจิตกะคือต้องมีเจตนาเพราะเหตุนั้นไม่เป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้หาประสงค์ในอันให้เคลื่อนมิได้เช่นเคลื่อนในเวลานอนหลับ